บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งความสำคัญของสังหะวัตถุสี่สังหะวัตถุสี่เป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งหมวดหนึ่งมีที่มาในบาลีหลายแห่งตัวอย่างที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงเน้ น, ค ว, ค, ค, น, น, นความสำคัญของการเกื้อกูลส่งเคราะกันในหมู่ชนและความสามัคคีของสังคม ด้วยการทรงย้ำความสำคัญของหลักสังหาวัตุสี่เช่นอัทธกะอลวะกะซึ่งทรงยกย่องว่าเป็นรราชูหนึ่งในสองคนของอุบาสกบริษัทและถือกันว่าเป็นอ克拉อุบาสกก็ได้รับการยกย่องเป็นเอตาทัคฆะในบรรดาผู้สงเคราะห์บริษัทหรือชุมชนด้วยสังหาวัตุสี่ เมื่อทรงแสดงสินค้าละกาสูตรว่าด้วยหลักการไหว้ทิศในอริยวินัยซึ่งอัตถคถาบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้เป็นวินัยของคฤหัตหรือขี้หิวินัยก็ทรงสรุปลงท้ายด้วยสังฆะวัตถุสีน่นี้อัตถคถาบางแห่งจำกัดความคำว่าราชาว่าผู้ยังประโยชน์ให้ยินดีด้วยสังฆะวัตถุสี่ แล้ ว, ว่าสังขะวัตถุเป็นพรหมจรรย์เพราะเป็นความประพฤติประเสริฐสังหะวัตถุข้อสุดท้ายคือสมานตต า, ตามักมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายอยู่บ้างเพราะบางแห่งแปลไม่เหมือนกันคำว่าสมานะแปลว่าเสมอหรือร่วมสมานตตต า, ตาจึงแปลว่า ความมีตนเสมอหรือมีตนร่วมอัตถกะถาโดยมากอธิบายในแง่ว่าร่วมสุขร่วมทุกและให้ความเสมอหรือเท่าเทียมกันเช่นกินด้วยกันนั่งด้วยกันรวมไปถึงสมานกิจคือร่วมการงานหรือร่วมด้วยช่วยกันทากิจธุระแตในปฏิสัมพิธามรักอัตถกถา แสดงความมาอีกนัยยะหนึ่งว่ากําหนดให้สมควรหรือวางตัวให้พอเหมาะพอดีปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของเขาที่ต่ํากว่าเสมอกันหรือสูงกว่าตนส่วนในชาตะกัดทกถาอธิบายแปลกไปอีกว่าทําตัวให้สม่ําเสมอไม่ใช่ในที่รับอย่างหนึ่งต่อหน้าคนอย่างหนึ่งเช่นวัยพ่อแม่ อยู่ที่เฉพาะกันก็ไหว้ออกแขกต่อหน้าที่ชุมนุมก็ไหว้อย่างไรก็ดีในขั้นสูงสุดท่านต้องการให้มีความเสมอกันโดยคุณธรรม